50 languages. <laughs> นานุวัติอักษรวันนู้โวดุตเตเดิฉันอ่านคำศัพท์นา น, ด น, นตดดิฉันอ่านประโยคนานุ ว, ว, ว, วันนโโวตตดิฉันอ่านจดหมายนานั ว, วันต ดิฉันอ่านหนังสือน้าหนูวุ่นดุพุสตากำเน็จวัวดุตเเนดิฉันอ่านน้าหนูวัวดุต เ, เคุณอ่านนีหนูวัดุตีเขาอ่านอวววดุ ต, ตาน ดิฉันเขียนนานุบริยุทธ์เตนดิฉันเขียนจดหมายนานุวนดุอักษรวันนุบริยุทธ์นดิฉันเขียนคำศัพท์นานุวนุยุนนดิฉันเขียนประโยคนานุวุนดุวายวันนุบริยุทธ์น ดิฉันเขียนจดหมายน้าหนูวุ่นดูจดหมายหนูบริยุเทธนดิฉันเขียนหนังสือน้าหนูวุ่นดูหนังสือหนูบริยุเทธ์นดิฉันเขียนน้าหนูบริยุเทธ์เนคุณเขียนนีหนูบริยุทธิ์อย เขาเขียนอาวนูบริยุตตานี